พุทโธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกนะคะหมายถึงท่านกับดิฉันในรายการสรนสานีสนทนาเพราะว่าท่านพริบูลนั้นท่านพบกับท่านผู้ฟังกันแท้ทุกวันอยู่แล้วคือจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่นะคะ f อฟเอมรอยหกท่านเพริบูลที่ว่านี้ก็คือท่านเพื่อนวยการหลักสูตรดิเรนต์วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาให้ธรรมะเราพร้อมกับ นำการปฏิบัติของเราเสมือนหนึ่งว่าพวกเราทุกคนได้ไปอยู่ในหลักสูตรหรือเรนของท่านพี่ดรฐธานีเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติก่อนแล้วก็ค่อยไปสู่การฟังธรรมซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นคำถามจากท่านผู้ฟังที่ได้ถามมาแล้วดิฉันเชื่อว่าคาตอบนั้นเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนตอนนี้เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ เราก็ไปกราบนมัส ก, การถ้าอาจารย์ไพบูร์พร้อมกันเลยนะคะนมัส ก, การกันทัน้งค่ะอจริญบอนเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการที่เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัตินั้นจะทำให้การฟังธรรมของเรายี่มีความแจ่มแจ้งชัดเจนมีความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นบุคคลที่ฟังธรรมด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจะสามารถเข้าสู่นิยามแห่งความถูกต้องในธรรมะที่ฟังนั้นได้ โดยการเริ่มต้นให้เราตั้งสติเอาไว้สตินั้นพระพุทธเจ้าให้คำนิยามว่าคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้โดยท่านแยกแย่แจกแจงไว้แต่ก็ว่าสตินี้คือการระลึกได้นั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือสัมมาสติแต่คือการที่เราระลึกถึงเรื่องของกายจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งใ้การระลึกถึง หรือว่าระลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตหรือว่าระลึกถึงธรรมกายเวทนาจิตธรรมสีอย่างนี้จะเป็นฐานที่ตั้งใ้การราลึกถึงคกอแต่ที่จะระลึกถึงเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันหรือเรื่องอะไรๆก็ตามแต่ให้จิตของเราอยู่ในสถานที่นี้เครื่องมือที่เราจะใช้ให้จิตมาอยู่ในสถานที่4แห่งนี้นนคือกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมได้นี เครื่อมือที่เราจะใช้ใช้ลมหายใจก็ใช้ได้เหมือนกันการที่เราจะมาเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมอันนี้ก็เป็นการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งหรือเห็นลมโดยความรู้สึกถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งหรือเห็นลมจะพูดที่เข้าไปสังเกตลมหายใจอันนี้ก็ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งหรือว่าในขณะที่เรามารู้ลมนั้นเห็นความไม่เที่ยเห็นความจางคลายไปของสิ่งที่มากระทบ เสียงก็ตามอะไรก็ตามการที่เรามารู้ลมเราก็เห็นความไม่เที่ยงไปด้วยนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมอนามาันสติก็จะทําสติปัฏฐาน4ี่ให้เกิดขึ้นได้การระลึกนึกถึงนี้ไม่ใช่ว่าระลึกในเรื่องทั่ ว, วไปแต่ว่าระลึกให้อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมทําไม4สถานที่นี้ที่เป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นสถานที่ที่ควรให้จิตเราเข้ามาอยู่ เป็นสถานที่ที่ควรเที่ยวไปนบบุรุษชาเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าแทนที่เราจะไปทางเหนือทางตะวันออกทางใต้หรือทางตะวันตกเนี่ยไปในทางนั้นอาจจะโดนมารอาจจะโดนปัสสะมากระทบแทําให้จิตของเราแตกได้แต่ถ้าจะไปให้ไปในสีสถานที่นี้นคือไปในกายไปในเวทนาไปในจิตหรือไปในธรรมสีสถานที่นี้คือสติปัฏฐานสี่นี้ จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้ลมหายใจนี้ก็ดได้จะเกิดขึ้นจากการที่เรามานึกถึงศีลของเราหรือเป็นศีลา น, นุสติก็ได้เพราะว่าถ้าเวลาเรานึกถึงศีลที่เราทําความดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่านึกถึงการให้การบริจาคเป็นศีลา น, นุสติเป็นจาคา น, นุสติขึ้นมาก็ตามนี่แล้วเรามีความสบายใจความเย็นใจในใจที่มันระ ง, งับลงไประ ง, งับลงไปอันนี้ก็เป็นการเห็นเบตนาในเบตนา นั่นแปว่าถ้าเรามาพิจารณาดูถึงเรื่องของอานาปานสติที่ว่าให้เป็นผู้มีการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตทําการปรุงแต่งของจิตให้ระ ง, งับลงตรงนี้คือการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแต่ถ้าบอกว่าเรามานึกถึงสิ่งของเรานึกถึงที่เราเคยไปทําการงานกุศลที่นั่นที่นี่ช่วยเหลือที่มุ น, นิทีนั้นมุนิที่นี้อันนี้เป็นลักษณะของจากการนุสติทั้งหมดเลย ราลึกถึงบุญกุศลเหล่านี้แล้วจิตเราจะระ ง, งับลงเย็นลงอันนี้ก็เป็นการมีปีติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นก็เป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแต่หรือว่าเวลาที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือราลึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยแล้วจิตของเรามีความระ ง, งับลงมีกายระ ง, งับลงกายที่ระ ง, งับลงเป็นกายแสังขารระ ง, งับเนี่ยก็เป็นการเห็นกายในกาย จากการที่เราเจริญพุทธธานนุสติจากการที่เราเจริญสังขารนุสติเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสีนี้สามารถเกิดขึ้นได้รอบตัวของเราทั้งหมดเลยในขณะที่เราทํางา น, นเช่นว่าถ้ามีเพื่อนมาพูดไม่ดีกับเราอย่างไรก็ตามเอาเราอดทนได้ เ, เราตั้งไว้ซึ่งคุณธรรมคือขันติคือความอดทนคือโสระจักคือความสงบเสงี่ยมไนะหนธรรมะนี้มันอยู่ในใจของเร า, าเป็นเครื่องกรูดเกล่านี่ก็เป็นการ ที่เราระลึกถึงพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมานุสติเนะมีสติแบบนี้ก็ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันแต่เราสามารถที่ทําทั้งเช้ากลางวันเย็นทําได้อย่างต่อเนื่องจะพูดคุยกับใครขับรถอยู่ก็สามารถใช้กระบวนการวิธีการนี้ทําให้เกิดสติปัฏฐานสี่ขึ้นในใจของเราได้ในวิธีการนี้เราให้ทําต่อเนื่องต่อไปในขณะที่ท่านผู้ฟังฟังทำด้วยจะหลับตาลืมตาก็ทําทได้ทั้งนั้นจเจริญบานสาธุค่ะ ฉันเลยไม่ต้องถามเลยตอนแรกจะกลับเรียนถามท่านว่าการเจริญสติเนี่ยลืมตาได้ไหมท่านเหมือนรู้ใจเลยนะคะได้กล่าวปิดท้ายพอดีลืมตาก็ได้นะคะท่านฟังอืมอย่างนี้คิดว่ามันยากขึ้นคือคนที่เขาทําชํานาญแล้วไงเป็นอย่างเดียวว่าอาจจะเดินจงกรมอย่างเงี้ยต้องลืมตาแน่นอนแต่ไม่งั้นมันจะการทรงตัวมันจะไม่ได้ใช่ไหมใ<ช>นขณะที่เดินก็ต้องลืมตาล่ะพอลืมตาทั้งไหนจะผัสสะ ผ่านมาทางตาทางการทรงตัวด so ังระเนั้นคนที่ฝึกเดินเนี่ยก็ถ้าจะพูดก็พูดน่ะจะได้สมาธิยากกว่าในความเป็นธรรมนะค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการนั่งแต่ว่าอนิมก็แล้วแต่บุคคลด้วยอย่างไรก็ตามถ้าได้สมาธิแล้วหลวพระพระเจ้าก็ยืนยันไว้ว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานกว่าค่ะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเกิดขึ้นได้ยากนะคะแล้ว่าทําให้เกิดขึ้นได้แล้วนั้นย่อมมีความ พิเศษอยู่ในตัวอืก็เลยอยู่ได้นานเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นฝึกทั้งนั่งทั้งเดินก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยทําให้อริยาบทของเราไม่ได้อยู่ในลักษณะของการนั่งแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายไม่สบายได้ใช่ไห ม, มค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้คําถามนี่น่าสนใจมากเลยนะคะผู้ที่ถามชื่อคุณบุตรสบาร์ศูนย์หนึ่งบอกว่าติดตาม ฟังธรรมในเว็บไซต์ของท่านคือเพียวธรรมะ .com เป็นประจำทุกเช้าแล้วตัวของคุณโยมบุษบากับครอบครัวคือสามีและลูกๆได้ศึกษาพุทธวจะนะมาหลายปีแล้ว hmm. มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันศึกษาและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งใจรักษาศีลห้าททานตามการอันควรทาสมาธิภาวนาอาณาปานาสติเป็นประจา หรือว่าทุกอย่างนี่ถือว่าทำดีแล้วเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดใช่ใชดีมากเลยปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของตัวเองหรือว่าลูกสามีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่เป็นปัญหาที่ห่วงคุณพ่อนะคะว่าเมื่อเร็วๆเนี่ยคุณพ่อเกิดป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมคุณโยมบุษบาก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าแก่ตัวไปแล้วเป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์อ๋อเรื่องของตัวเองนะคะคิดไปข้างหน้า แล้วสุดตะที่พยายามสั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยจะหายไปกับความทรงจำด้วยหรือไม่คะแล้วความรู้ที่ว่าการวางจิตก่อนตายที่ฝึกฝนมาเราจะทำได้ไหมคะสมองมันคงว่างเปล่าเลื่อนลอยไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปอบายขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยไขยข้อข้องใจผมโยม <c oughs> ด้วยเจ้าค่ะโอเคเออตะกี้เพิ่งพูดมาสักครู่ น, นี้เลยสติเนี่ยพระพุทจ้าให้ความหมายไว้ คือการระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้ค่ะนี่คื อ, ค, อความหมายของคําว่าสติโดยทั่วๆไปนะโดยทั่วทไปก็ ค, <ะ S 1> คือระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราระลึกถึงหมายเลขโทรศัพท์อันนี้คือมีสติแน่นอนเลยนะเราระลึกได้ว่าโอ้ยฉันเจอคนนี้เมื่อเมื่อตอนนั้นอันนี้คือสติแน่นอนเลยน ะ, <ค>ะเราระลึกได้ว่าคนนี้ชื่อนี้แม่คนนี้มันชื่ออะไรนะติอยู่ที่ปะแล้วก็นึกได้ขึ้นมานี่ อันนี้คือสติแน่นอนเลยนะ <Okay. S 1> หรือว่าระลึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เรื่องอดีตอนาคตอ่ะเป็นสติหมดเลยแต่เพระ น, นั้นคือการระลึกได้แตนะทีนี้ถ้าเป็นสัมมาสตินี่เรากำลังจะสโคปดาวน์ลงมานะแต่ในส่ีจะจะ่เราเป็นสัมมาสติขึ้นไม่ใช่ว่าระลึกนึกถึงว่ากุญแจอยู่ตรงไหนหรือคนนี้ชื่ออะไรไม่ใช่กันลนะระลึกถึงกายนะระลึกถึงกายเพราะนั้นจึงใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง เระลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตหรือระลึกถึงธรรมระลึกถึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าฉันหมากกุญแจไว้ที่ไหนวันนี้กินข้าวหรือ ย, ยังไม่ได้กินบอกว่ากินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะมันจะนั่นคือสติทั่วทั ว, ทวไปแต่เรากำลังพูดถึงสัมมาสติเพราะฉะนั้นสัมมาสติเนี่ยระลึกถึงกายอย่างเงี้ยกายนะคุณโยมติ๋วมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปไปจําได้อะไรคืออย่างอย่างคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะลืมภาษา ทั้งหมดก็จะไหม <Okay. S 1> เขาก็ยังจะต้องมีส่วนอะไรที่จําได้บ้างคือลืมเนี่ยก็ไม่ได้ลืมทั้งหมดแต่ลืมบ้างที่จําได้ก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่เรียกว่าถ้าเราสั่งสมมากๆากมากมส่วนที่ลืมไปมันก็คงจะมีมากส่วนที่เหลืออยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยก็คงจะมีอยู่เพราะว่าเราทรงจําไว้มากอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งน ะ, <Okay. S 1> ะถ้าเราทรงจําไว้มาก ไอ้ส่วนที่หายไปก็คงต้องมีแน่ล่ะส่วนที่เหลืออยู่ก็อาจจะมีอยู่แต่น้อยแต่ก็ยังมีแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับว่างั้นตอนนี้ฉันยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ล่ะก็ไม่ได้ทรงจําอะไรอันนี้อันตรายมากประมาทมากแต่ว่าถ้าเราเตรียมการอไว้ว่าฉะนฉันจำไม่ได้มากที่สุดเลยเผื่อตอนเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันจะได้เหลืออยู่บ้างเอออันนี้ไม่ประมาทในปัจจุบันอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ย นไม่ใช่ตรงเพราะว่าสัมมาสติอย่งนงี่ว่าเนี่ยคือการที่เราเลิถึงกายนะให้ถูกต้องดังนะะะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความคิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของวางกุญแจตรงไหนหรือว่าเลี้ยวผิดเลี้ยวอย่างเงี้อยอย่างคุณโยมติ๋วเคยบอกมาถึงว่าบางทีดูหล่อใจ อ, อยู่เนี่ยนะมีสติเต็มที่เลยเอาแต่แต่เลี้ยวผิดแบบไปไปผิดทางในขณะที่ขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะคะ่ะซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ว่า คุณหลงลืมสตินะแล้วคุณถึงขับไปผิดทางไม่ใช่แต่มีสติอยู่เต็มที่เลยแต่สติอยู่กับกายอ่ะไม่ได้อยู่กับว่าจะ <ใน S 1> เลี้ยวทางไหนอ่าเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเป็นคนละจุดกันค่ะเอ่อถ้าเช่นนั้นถ้าอาจารย์กําลังจะบอกว่าต้องเข้าใจว่าสติที่หมายความเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัตินี่คือสัมมาสติแต่ว่าอ่าอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลืมในการระลึกถึง สิ่งที่ทำคำที่พูดมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นแต่ก็ไม่เกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยวันนี้สร้างเหตุเอาไว้มากๆที่จะทำให้เจริญสติได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเรียกว่าได้มากๆเกือบตลอดทั้งเวลาเผือในวันข้างหน้าเกิดเป็นบางทีมันเป็นจากธรรมชาติของร่างกายนะคะอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ฉันเพิ่งอ่านที่เขาส่งงกันมาไล่ๆก็ ขอจะขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราผ่านมานานแล้วว่าพวกอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าหากว่าจะป้องกันได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ให้ดีนะคะการออกกำลังกายนี่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะช่วยให้สมองไม่ได้เสื่อมในลักษณะนี้ได้ง่ายๆแล้วก็การฝึกสมองนะคะเพราะก็ก มีวิธีการฝึกสมองหลายอย่างบางคนก็ใช้การเล่นเกมอ่าที่รับสมองประลองปัญญาแต่บางคนก็จะไปเล่นไพ่เขาเรียกอะไรนะคะนกกระจอกนกกระจิบอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ดิฉันเข้าใจว่าคงจะต้องฝึกกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอืมนะคะส่วนอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงเราก็ว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้ทีนี้ที่เราฝึกเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของระบบสมองไง ค, คือสมองนี่ก็เป็นเครื่องมือของจิตอีกทีหนึ่งน ะ, ะสมองนี่เป็นเครื่องมือของจิตอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเราฝึกจิตยอย่างดีแล้วแนะนํนบางทีสมองมันมันลืมไปมันเป็นตามระบบรีเฟล็กของร่างกายแล้วเจ็บบางทีมก็อ้อยแล้วก็โจงเสียงออกมาอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าจิตใจที่มีการฝึกดีแล้วเนี่ยสามารถแยกได้นะครัว่าแยกได้นี่ก็คือเวทนาที่มากระทบหรือว่าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นผล ของร่างกายล้ <Okay. S 1> คือคือร่างกายเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับสนิมเหล็กอย่างงี้นะ <Okay. S 1> คือสนิมเนี่ยเกิดขึ้นที่เหล็กแน่แต่ว่าไม่ได้เกิดบนอากาศแต่อากาศที่ชื้นเปียกเนี่ยก็จะมีผลให้สนิมเหล็กเกิดขึ้นเร็วหรือช้าลงตามสภาพแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นจิตของเราถ้าฝึกดีแล้วนะมันกายอาจจะมีผลบ้างแต่แน่นอนว่าทุกอย่างมันจะอยู่ที่จิตตรงนี้ สติอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่สมองอืมค่ะเจนบอล น, นะคะเอ๊ะท่านคะแล้วก็มีพุทธพจน์บทไหนไหมคะที่บอกว่าการฝึกสติเนี่ยจะทำให้อ่าความทรงจําในด้านกายดีขึ้นด้วยเอ่อก็มีที่ตรัสฝากบอกท่านพระ อ, อ น, นุ์ไปบอกท่านพระคิริมานนท์แต่นั้นท่านพระคิริมานนท์ป่วยด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปเกี่ยวกับความจำ ม, มานะ <Okay. S 2> แต่ว่าได้พ่วงอาณาปานาสตินี้ไปด้วยในอาณาปานาสติเนี่ยอพอท่านพระกิริมาโนนได้ฟังรวมกับ เ, เครื่องมือที่ทําให้เกิดสติอื่นๆเช่านมรณสติเป็นต้นเนี่ยท่านก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเหมือนที่นี้มันก็มีผลต่อกายด้วยแต่เพราะว่าการปรุงแต่งของจิตใช่ไหมสติเนี่ยเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะ <Okay. S 2> สติเนี่ยเป็นหนึ่งในมรรคแดมรรคแเป็นสังกตธรรม แตนะ่พอจิตไม่มีการปรุงแต่งใ น, นลักษณะที่สงบระ ง, งับลงกายเนี่ยมันก็สงบระ ง, งับตามไปด้วยเนะี่ยเพราะว่ามันกายกับจิตเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันจิตไปทางไหนกายก็ตามไปทางนั้นในตามที่มันควรจะเป็นไปได้ของมันแต่เป็นแะค่เป็นตอนไปมีประเด็นหนึ่งในในคำถามของคุณบุษบาตรงนี้เนะที่พูดถึงว่า เ, าเวลาสมองมันว่างๆเลื่อนลอยไปอาจจะไม่รู้อะไรเนี่ย เ, เรายังไม่ต้องรอถึงตอนที่เราเป็นอัลไซเมอร แเราไม่ต้องรองถึงตอนนั้นเอาเป็ว่าทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้เนี่ยนะเวลาที่เราจะคิดนึกเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกเนี่ยเช่นว่าเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งจะเป็นปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทํางานปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยถ้าจิตและใจเราวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยมันปุ๊บปั๊ บ, บมันจะมันจะคิดไม่ออกมันจะไปเรื่องใหม่ไปแต่ถ้าเราทําดูใหม่ลองวิธีใหม่คือทําจิตให้หนึ่งๆไม่คิดอะไรแต่นี่คือวิธีที่อมาใช้อยู่เป็นประจําสมมติมีปัญหาเรื่องนี้ เอาอย่าเพิ่งคิดมันทาใจให้นิ่งก่อนให้นิ่งไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมสูดลมหายใจไปพอจิตใจนิ่งสักแป๊บหนึ่งปุ๊บเนี่ยเอาปัญหาเนี่ยโยนเข้าไปตรงที่นิ่งๆนี่หรือว่าเอาจิตที่นิ่งๆเนี่ยไปจ่อตรงปัญหานั้นนี่คือวิธีที่มาใช้เองนะพอจิตเรานนิ่งแล้วไม่คิดอะไรแล้วเอาตรงที่นิ่งๆเนี่ยไปจ่อตรงปัญหานั้นดูพอเอาตรงที่นิ่งๆไปจ่อตรงปัญหานั้นดูเนี่ยมันจะคลี่คลายเปิดมันเป็นฉากๆว่า ควรจะแก้ยังไงทำยังไงวางแผนยังไงต่อไปปุ๊บปุ๊ บ, ป บ, ป บ, ปบไปเงี้ย <Okay. S 1> อันนี้คืออถ้าสมองมันว่างๆอาจจะมาว่ายิ่งดีด้วยซ้ำ <Okay. S 1> เราควรจะฝึกตอนนี้ให้สมองมันว่างๆ <Okay. S 1> ทีนี้ไอาการที่มันว่างๆแล้วนไม่ใช่หมายความว่าจิตมันเลื่อนลอยไม่รู้อะไร น, ะนี่คือจิตที่ว่ามันฝึกดีแล้วตั้งหาก <Okay. S 1> ทีนี้คนป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ว่าเขาเขาจะน้อมไปนึกนเขาจะนึกไม่ได้ มันจะ recall ไม่ได้ภาษาอังกฤษขาจคำนี้ recall <Okay. S 1> คือมันมีอยู่ในในจิตนั่นแหละแต่จะดึงออกมาเนี่ยมันมันมันไม่มีกิ่งตรงนี้ไม่มีก้านตรงนี้แล้ว <Okay. S 1> นะคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความจำนะสะตินี่คือการระลึกได้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าพูดถึง memory ใช่ไมภาษา <Okay. S 1> อังกฤษาจะใช้คำว่า memory เนี่ยในสัพทางพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องแยกเป็นสองส่วนด้วยกันนะส่วนแรกคือคาว่าสัญญา สัญญาเนี่ยเขาจะแปลว่าความหมายรู้นะหมายรู้บางคนก็แปลว่าจําได้หมายรู้ก็เลยคิดว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นความจำนะส่วนที่เป็นความจำอันนี้ก็ใช่อยู่ถูกอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้าคุณโยมติวต๋วตอนเนี้ยรู้ภาษาเกาหลีไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยใช่อ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเรียนภาษาเกาหลีใช่ไม่มค่ะ ยมยมได้ยินว่าอะไรโอป้าโอป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ อ, เ อ, อนางเอกก็ชอบพูดเออสมมติเราก็รู้ความหมายคํานี้ใช่ไหมว่าหมายความอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้จึงเป็นความจําความจำตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาคือความหมายรู้ว่าอ๋อคําว่าโอปา้าโอป้าเนี่ยหมายถึงอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้นปุ๊บอันนี้คือเป็นขาเข้าขาเข้าที่ให้จิตของเราเนี่ยจําลงไปจิตเรามีสมาธิสั่งสมนะักกุณก็จําไปในจิตใช่ปะจิตสั่งสมไปละทอนนี้ไอ้ตอนที่จะดึงออกมาตอนที่จะดึงออกมา ไม่ใช่หน้าที่ของสัญญาแล้วนะจะเป็นสติที่จะไปล้วงข้อมูลนี้ออกมาคือถ้าคนที่เขาเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย mm hmm. เขาจะทราบว่าเวลาคุณจะเก็บข้อมูลลงไปในฮาร์ดดิสคุณต้องเขียนก่อนทีหนึงบันทึกข้อมูลลงไปในฮาร์ดดิสแล้วจะมาแสดงผลคุณต้องไปดึงออกมาอีกทีหนึง่งเป็นสองขาขาลงและขาขึ้นขาเข้าและขาออก mm hmm. ขาที่เข้าลงไปเนี่ยก็คือสัญญานี่เราพูดถึงเมมโมรีนะ mm hmm. ความทรงจํานะ คุณก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ลงไปผ่านเหตการณ์อมันก็จำไปจำไปใช่ไหมสั่งสมไปสั่งสมไปเป็นอัสวะบ้างอัสวะที่จะพาไปดีบ้างไม่ดีบ้างในทีนี้ไอ้ตอนดึงข้อมูลออกมาจะเลิกได้ตรงเนี้ยนี่คือสตินสติทั่วๆไปนะสติทั่วๆไปแต่ถ้าเราเฉพาะเจาะจงมาที่สัมมาสติก็กายเวทนาจิตและธรรมอย่างที่ว่าโอเคอันนี้เรื่องความจาทั่วๆไปค่ะนะคะก็คงจะ ทำให้คุณบุตรสบาได้รับความกระจ่างพอสมควรทีเดียวแล้วมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสติคือ ก, การระลึกได้ตรงนี้นะคือสมมุติว่าถ้าในชาตินี้เราระลึกไม่ได้หรือระลึกได้ช้าในเรื่องหมวดธรรมะต่างๆมีภาษฉามาจำได้บ้างไม่ได้บ้างแลด้วยอาจจะด้วยเหตุผลของกายที่มีข้อผกป้องแบบเป็นอัลไซเมอร์อย่า ง, งเป็นต้นเนี่ยนะ<อ>แต่ตายไปเนี่ย ด้วยบุญกุศลที่เราทํามาก็จะส่งผลให้เราไปเป็นเทวดาได้อยู่บนสวรรค์ได้ซึ่งในเทวดาเนี่ยพวกที่เป็นเทวดาเขาก็จะระลึกถึงธรรมมาได้นะอ่าพระบรมชาติเปรียบเหมือนกับคนที่ได้ยินเสียงเอ่อไปอยู่ในป่าเงี้ยแล้วมีคนเสียงเป่าสังปูนขึ้นมาเงี้ยถ้าคนที่เขาได้เคยยินเสียงสังมาก่อนเคยได้ยินเสียงสังมาก่อนเนี่ยเขาจะระลึกได้ว่าอ๋อนี่เสียงสังหรือคนที่เขาตีเสียงกลองตุ่มตุ่มตุ่ม มีเสียงกลองมาจากในเมืองใกลๆอย่างนี้คุณอยู่ในป่าอย่างนี้พอได้ยินเสียงกลองมาจากแวดมาจากไกลๆเนี่ยคุณจะจําได้ว่าโอ้นี่เสียงกรองคุณจะมีความมั่นใจแล้วว่าโอ้นี่เสียงกลองแน่นอนฉันเคยได้ยินมาหน่ะตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับว่า เ, าเวลาที่เราตายไปแล้วจำอะไรไม่ได้ก็ตามด้วยเหตุผลทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในหมู่เทวดาในหมู่เทวดาเขาก็จะมีการแสดงธรรมกันในมีการแสดงธรรมกัน พอเราไปได้ยินสดับฟังธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเราจะระลึกได้ขึ้นมาเนี่ยสติมีกําลังอะไรต่างๆ ม, มีกําลังก็ประลุธรรมได<ฮ>นะ้หรืออาจจะไม่ได้มีการไปฟังธรรมแต่ว่ามีคนมาบอกธรรมเรามาคุยกันเรื่องธรรมะเออระลึกได้ว่าอ๋อศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ก็จะระลึกได้ว่าโอใช่อันนี้ฉันเคยเรียนมารู้มานะเหมือนได้ยินเสียงกลองได้ยินเสียงสังก็จะปรลุธรรมได้ ก็เป็นลักษณะนี้ก็สามารถถึงอาจจะชาตินี้อาจจะระลึกไม่ได้แต่ต่อไปมันมีอันนี้ส่งแน่นอน ใ, <ช>ในการที่เราจะแบบสั่งสมสุตตะให้มากมันเหมือนกับมีอาวุธที่คมที่ดีมีประโยชน์ใช้งานได้ห น, นึ่งคือไม่เสียผลอย่างแน่นอนอมไม่ในภพปัจจุบันนี้ก็ในวาระบันปลายไม่ในวาระบันปลายก็ในภพต่อต่อไปอนะคะก็ เป็นสิ่งที่ไม่เสียเปล่าสำหรับการที่เราจะฝึกสติไปเพราะว่าพระพุทธองค์เองก็ตรัสยืนยันว่าแม้กระทั่งถ้าใช้คำว่าอะไรนะคะที่ไม่ประสบผลสาเร็จในชาตินี้มีสติมีกำลังอ่อนสติมีกำลังอ่อนอก็ยังสามารถที่จะเก็บยังไปส่งผลเมื่อเราตายไปแล้วใช่ใชะ ทีนี้อย่างไรก็ตามที่คุณมุชมายกมาพูดมาในที่นี้เนี่ยมันก็จะมี1เรื่องของสุดตะในะสุดตาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับอาวุธใช่ไหม <Okay. S 2> อันนี้คือธรรมะอะไรต่างๆที่เราเรียนมารู้มาในก็อันหนึ่งนั้นที่สองคือเรื่องของสติในสตินี่คือเปรียบเหมือนกับนายทวานในเปรียบเหมือนนายทวาน2อสเรื่องศรัทธาที่เราศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าในศรัทธาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ว่า จะจำใช้เป็นความจำที่อยู่ในสมองนะมันอยู่ในใจลึกๆที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นความจำอยู่ในสมองแต่เป็นศรัทธาอยู่ในใจศรัทธาเนี่ยก็พาไปบรรลุธรรมได้นะคือมันไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องสมองอย่างเดียวไงดังน mm ั hmm. ้นถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ได้พึ่งสุดตาเราจะพึ่งสุดศรัทธาเราจะพึ่งสติเราจะพึ่งความเพียรมันได้หลายอย่างค่ะท่านคะงั้นไหนๆท่านพูดมาตรงนี้ดิฉันสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าบอกลำพัง ศรัทธาเนี่ยก็ช่วยทําให้บรรลุธรรมได้ถูกไหมคะ่ไทีนี้ลําพังแค่ศรัทธาเนี่ยช่วยให้บรรลุธรรมได้ไหมคะใช่ได้สิศรัทธาอย่างไรก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไงศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือบทอิติพิโสอย่างที่เราท่องกันมาทีนี้ศรัทธาเนี่ยแล้วยังไงแล้วยังไงใช่ไหมพระพุทธเจ้ายังตรัสถึงพวกที่เป็นศรัทธาวิมุตต์นะหรือศรัทธานุสารีศรัทธาวิมุตติศรัทธานุสารีเนี่ย เป็นวัตถุดนะิบนะคือเขาจะเป็นโสดาบันได้ใช่ไหมคนที่มีศรัทธาเนี่ยก็มาตามทางละ่ะคนที่มีศรัทธามีความมั่นใจแล้วก็จะทําจริงแน่แนจริงในการทําจริงแน่ๆจริงก็เป็นความเปลี่ยนทําให้เขามีสติเกิดขึ้นสติมีแล้วก็จะทําให้สมาธิมีกําลังพอสมาธิมีกําลังแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงแต่กระบวนการตรง น, นี้คืออินทรีย์5หรือภละ5หมายตามเริ่มตั้งแต่ศรัทธามากหรือศรัทธาเนี่ย จะเป็นที่ตั้งให้เกิดโยนิสโสมานสิการก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นอาหารของโยนิสโสมานัสิการหรือศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสวบลงฟังซึ่งธรรมใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นหาจุดสมดุลแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตนอยู่ในธรรมนั้นได้อันนี้ก็เริ่มที่ศรัทธาเหมือนกันค่ ะ, ะเหมือนกับท่านกําลังจะบอกว่าพระพุทธองได้ตรัสว่าจะเป็นอัตโนมัติหากเราเริ่มต้นที่ศรัทธา เป็นประการที่หนึ่งก็จะมีสองสามสี่ต่อไปตามมาได้ใช่ดังนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องมีความรู้ก่อนว่าต้องมีศรัทธาศีลสุตตะจาระค่าปัญญาสมมติใน อ, องค์ประกอบนี้แล้วเมื่อเรามีศรัทธามากๆเราก็ต้องทำให้ศีลเจริญฟ<ด>ังธรรมใบ้ไส่ซึ่งตอนนี้พระพรุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความ อรอบครอบรัดกลุ่มไม่หลาหลวมในการที่ท่านจะแยกแยะแจกแจงให้เราเห็นให้เราทราบแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจิตเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งอยู่ในจิตของเรานั่นะ ค, คือคือจิตเนี่ยเป็นอันเดียวเลยนะเป็นหนึ่งเดียวเลยนะที่จะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ทั้งหมดแล้วมันอะไรมันอะไรที่ว่าคุณจิตแบบอ่อนเหมาะเหมาะสมที่จะรู้ทําได้ะมีสติตั้งไว้ไม่ลืมหลง ท่านก็แยกแยะแจกแจงมาให้ว่าเอามีศรานะมีสมาธินะมีปัญญานั่นมีสุตตะนะมีพวกเนี้ยแยกแยะแจกแจงแล้วก็แยกแยะแจกแจงแบบขันห้าก็มีแยกแยะแจกแจงแบบพละหก็มีแยกแยะแจกแจงแบบโพชงเจ็ดมรแปดท่านก็จะแยกออกมาให้เรามีความเข้าใจได้มากที่สุดค่ะท่านคะในส่วนที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับว่าเมื่อศรัทธาแล้วต่อไปด้วยการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้อันนั้นเป็นหมวดธรรมอะไรคะ อันนี้เป็นหมวดธรรมที่จะทําให้การไปเป็นผู้ที่รู้ซึ่งความจริงรู้ซึ่งความจริงคก็จะต้องเริ่มจากการที่พอมีศรัทธาปุ๊บจะต้องเข้าไปหาเข้าไปหาพระสงฆ์หรือผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่ดูดูแล้วจะไม่มีกิเลสอ๋อค่ะอืผู้ที่ดูแล้วราคาโทสะมุหาท่านไม่มีค่ะและเข้าไปนั่งใกล้ ดิฉันก็เลยมาติดใจตรงที่นั่งใกล้เนี่ยแต่ก่อนที่จะถามท่านว่าอะไรนะคะต่อจากนั่งใกล้แล้วไปไหนอีกนะคะถึงจะเป็นผู้ที่ตามรู้เงีย่ยสวดลงซึ่งถามไปเงีย่ยสลดลงค่ะคือตั้งใจฟังว่างั้นเถอะเจนพานค่ะแล้วงไงคะแล้วไปเงีย่ยสลดลงแล้วก็จะสามารถได้ฟังธรรมค่ะฟังธรรมอืมค่ะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้ทรงจำธรรมได้ทรงจําค่ะ ทราบซึ้งมากกระทรงจําไว้ทรงจำไว้อาจําได้พอจํำทำนั้นได้ก็สามารถที่จะใคร่ครวญทมนั้นค่ะเกิดการใคร่ครวญค่ะพอใคร่ครวญแล้วทำนั้นก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ค่ะอทำนั้นต้องทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยนะะพอมาใช้เมื่อไหร่ใช่หมดอ่าทนต่อการเพ่งพิสูจน์คือหมายว่าใคร่ครวญว้มันจะใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้เราใคร่ครวญแล้วเออมันจริงไว้มันจริงไว้ตอนนี้คือทนต่อการเพ่งพิสูจน์ละ พอตัว <Okay. S 1> การเพ่งพิสูจน์แล้วเขาจะมีความพอใจแตนะความพอใจตัวนี้คือศรัทธาจุดหนึ่งนะมีความ <Okay. S 1> มั่นใจว่าเออมันใช่จริงจงด้วยไว้ทำให้เขาจะมีการทําจริงแนว่วแ น, วแนว่จริง <Okay. S 1> นะมีศรัทธาแล้วก็จะมีอุตสาหะไงมีฉันทด้มีอุตสาหะพอมีอุตสาหะแล้วเขาจะสามารถหาจุดสมดุลแห่งธรรมนั้นได้ <Okay. S 1> พอหาจุดสมดุลแห่งธรรมนั้นได้แล้วเขาก็จะตั้งตนไว้ในธรรมนั้นได <Okay. S 1> นะ้ตั้งตนไม่ทํานั้นได้คุณธรรมหมวดตรงเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นการที่จะตามรู้ซึ่งความจริงตามรู้ซึ่งความจริงรคือฉันก็เลยกลับมาค่ะว่าไง น, นะค ะ, ะคือความจริงในโลกนี้เนี่ยคนเขาก็จะพูดกันไปตามความคิดความเข้าใจของเขาใช่ไหมค่ะซึ่งบางทีที่เขาพูดมามันไม่จริงมันไม่จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกก่อนว่าสัจจะมีอยู่หลายแบบนะแบบจริงก็มีแบบไม่จริงก็มีเพราะฉะนั้น จะรักษาไว้ซึ่งความจริงก็อย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่เปล่าใช่ไหมแต่นั่นเป็นการที่รักษาไว้ซึ่งความจริงรเฉยๆนะไม่รู้ว่านั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้ความจริงมันคืออะไรด้วยซ้ํทาทีนี้จะทํายังไงถึงจะตามหาได้ก็ใช้11ขั้นตอนนี้นะคะท่านคะทีนี้มันมีอยู่ขั้นตอนที่ดิฉันได้แวะไปเมื่อสักครู่บอกแล้วจะกลับมาถามใหม่ก็คือว่าเมื่อศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ อ hmm. ปัจจุบันเนี้ยค่ะคนบริโภคธรรมะผ่านสื่อมีเยอะมากนะคะท่านคะคือ uh huh. เหมือนกับว่าในเมื่อสะดวกได้ยินอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหมดอื hmm. ผ่านทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เห็นต้องไปนั่งใกล้ละออื hmm. ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ใกล้พระเหมือนกันแหละพอตื่นเช้าปุ๊บ ก, ก็ ร, รีบเปิดเว็บไซต์ที่ของท่านกระเพียวธรร ม, มะอย่างเงี้ยนะคะอเทศบาลก็เท่ากับขั้นตอน วั่วแหว่งไปไหมคะหายไปหนึ่งขั้นตอนศรัทธาปุ๊บไม่ได้เข้าไปหาละศรัทธาปุ๊บเปิดอินเทอร์เน็ตอมันก็จะไปเ ข, เข้าไปนั่งใกล้ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งไงที่แ น, น้าคือทุนต้องมีศรัทธาก่อนคุณถึงจะมาคลิกที่เปียวดมาร์ดมไม่งั้นก็จะแบบไป <c oughs> ดูข่าวดูหนังใช่ไหม <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นการที่มาอยู่ต่อหน้าคอมเนี่ยก็จึงเป็นการเข้ามาหาละด้วย <c oughs> สื่อแบบไหนนะแล้วก็ต้องคลิกเข้าไปนะจะได้ฟังซึ่งทำนะ <c oughs> แล้วคือไม่ใช่ว่า ใครพูดอะไรมาเราก็จะได้ฟังหมดไม่ใช่เราจะต้องมีการเงี่ยโสดลงเดี <Okay. S 2> ก็บางคนอยู่ใกล้กันก็นจริงอะ่ะแต่แบบไม่เงียโสดลงก็จะไม่ได้ฟังธรรมค่ะดิน้นก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องการความมั่นใจอะคะ่ะว่าเอทุกวันนี้นี่กลับเรียนท่านตามตรงเลยนะคะตัวเองนี่ก็ไปวัดน้อยลงเยอะเลยอาศัยไปวัดตามแอปพลิเคชันหรือว่า <laughs> <laughs> ฟังจากสื่อต่างๆเพราะว่าบางทีวัดก็ไกลใช่ไหมคะแล้วก็ <laughs> การเดินทาง ไ, ป ไ, ปไกลๆบ่อยๆก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสียหายในหัวข้อของการที่เข้าไปนั่งใกล้ใช่ไหมคะไ ม, ไม่เสียหายไม่เสียหายก็จะได้ตรงส่วนที่เราได้ฟังธรรมทีนี้ว่าการเข้าไปนั่งใกล้โดยการที่พบเห็นสัมมณะเนี่ยก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งน ะ, ะเพราะว่าก็จะได้คือธรรมะบางอย่างมันไม่ใช่ว่าใช้เสียงบอกไงคุณยมติวใช่ว่าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติของท่าน ท่านทำให้ดูฉันอย่างนี้เดินอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะหมดมันก็เป็นธรรมะหมดเราก็จะได้เห็นบางส่วนพลาดบางส่วนล่ะถ้าไม่ได้ไปค่ะก็เท่ากับว่าถ้าอยากไปพบมงคลจากการได้ไปเห็นสมณะก็ควรหาโอกาสไปบ้างเมื่อจัดเวลาได้และมีความสะดวกนะคะอย่างน้อยก็ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่สภาพแวดล้อมนั้นเอื้อต่อการที่จะ ปฏิบัติหรือว่าการฟังธรรมบบทบทวนให้นะคะว่าเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงสดับนะคะตั้งใจฟังธรรมนั้นฟังแล้วก็ทรงจําทรงจําแล้วก็นํามาใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วจะพบว่าธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วจะเกิดความพอใจหรือว่าฉันทะซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดความอุตสาหะทำจริงตามธรรมะนั้นๆจากนั้น เราก็จะสามารถหาจุดสมดุลแห่งธรรมอันเนี้ยหมายความว่าอย่างไรคะจุดสมดุลแห่งธรรมเนี่ยหมายความว่าไม่เพียนเกินไม่ย่อหย่อนเกินไปอ๋อเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงหาจนเจอทางสายกลางนั่นใช่ไหมค ะ, ะคือท่านปฏิบัติตามทางสายกลางอยู่แล้วแต่บางทีมันไม่ต่อเนื่องมันยังสะดุดติดๆ ด, ดขัดๆตรงนี้คือยังไม่สมดุลค่ะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้ที่ตั้ ง, ต, งต น, ตนไวในธรรมอ่าใช่ ก็จะทําให้เราตามรู้ซึ่งความจริงได้ดและทั้งหมดนี้ก็คือสัญริยมสนทนาในวันนี้เลยนะครับเพราะเหลือจุนนาฬิกาแล้วก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไภัยบุญไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดียบานนมัส ก, การค่ะขอท่านฟังที่ครบค่ะพะมหาภัยบุญอภิปุณโนท่านเพื่อนโดยกาลหลักสูตรหลีกเร้นวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะดิฉันต้องประกาศเพราะว่า ขัดใจตัวเองเวลาฟังรายการบางรายการที่แมนะ้เราชอบมากเลยคนมาพูดเนี่ยอยากจะไปศึกษาต่อติดตามต่อแต่พูดตอนเ ฉ, ฉพาะหัวรายการท้ายรายการไม่ได้พูดมีท่านฟังหลายท่านทีเดียวนะคะไม่เคยเจอดิฉันหรอกแต่ว่านู่นไปไกลเลยไปกราบมรสการท่านพบูลถึงที่วัดแล้วก็ไปสมัครเข้าสู่การปฏิบัติธรรม หลักสูตรหลีกเรนของวัดป่าดอนหายโศกพอได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งกว่าจะเจอกับทีฉันนี่บางทีไปไกลๆนะคะไปอินเดียอย่างเงี้ยก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นแฟนรายการนะแต่ว่าเขาตัดตอนเลยอันนี้่าไปนั่งใกล้ก่อนเรียกว่าเข้าขั้นของผู้ที่ตามรู้ซึ่งความจริงที่เป็นพุทธบัญญไว้เลยค่ะ ติดตามรับฟังรายการสันสมีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 กันในช่วงเวลาที่มีดิฉันสนทนาร่วมด้วยกับพระมหาพยบูลก็เฉพาะวันพระหัสปดีกับวันศุกร์นะคะแต่แนะนำให้เปิดฟังทุกวันเพราะว่าท่านพิบูลนั้นแสดงธรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพบกันใหม่นะคะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ